ท่านเผาที่หนึ่งไปสร้างเจดีย์ที่แต่เมนท่านนะเมนคอนกรีตถาวรเลยคนก็ไปหยยบไม่ได้อยู่เดียยังอยู่เลยเมนท่านแต่ของคนไม่น้อยตอนนี้ว่าไม่สร้างเจดีย์ละหลังสุดที่ได้ยินข่าวแววๆบอเดี๋ยวเหมือนของหลวงปู่มีแล้วไปสร้างของลูกศิษย์ใกล้ๆ ก, กันเลยว่าไม่งามก็จะไม่สร้าง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 แต่อย่าให้เป็นโลคกระเพาะนะถือศีลแปดตลอดทำงานหนักๆเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ยากลองมาฝึกใจให้มันเข้มแข็งนี่อย่ไปกลัวกิเลสนี่โยมนี่มาอยู่วัดหลวงพ่อนะกลัวผีกลัวสุดๆเลยมาอยู่ได้คืนเดียวจะขอลากลับละอยู่ไม่ได้แล้ววันนี้ผีดุเหลือเกินเจอไหมไม่เจอเหรอกแต่กลัวไว้ก่อน <laughs>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 นี่พระผู้ใหญ่อองหนึ่งท่านเล่าท่านไปอเมริกาเขานิมนต์ไปที่วัดแล้วมันมีกลุ่มอันธพาลอยู่รอบรับวัดพวกนี้เกลียดพระมากเลยมันบุกเข้ามาเอาปืนมายิงอะไรเงี้ยัใจมายิงพระท่านบอกว่าไม่รู้จะพึ่งอะไรนะรู้อะไรพุทธทางสันนิษฐานาข้าสมีเป็นไงพึ่งพระพุทธเจ้าตา ย, ตายก็ขอตายแล้วขอภาวนาอยู่กับพระพุทธเจ้าเขาจะมาฆ่าละ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 ให้จิตมีเครื่องอยู่ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่อย่างนีนานฟุ้งยาวครับแล้วมีข้อคนระวังไหมครับหลวงพ่อก็ระวังอย่าไปตามใจตัวเองเยอะนะครับขอบคุณครับเมื่อเช้าตอนสดมนก็ดูโมโมะนะคะ่ะแล้วพอเดินออกมาจากกุฎแล้วก็รู้สึกใจมันโปร่งขึ้นนะคะรู้สึกสบายใจมากขึ้นอจะกลับบ้านแล้วสบาย <c oughs> ไม่กลัวแล้วค่ะ <c oughs> ก็อยากรบกวนอยู่กดเลขที่เท่าไหร่าเลขสามค่ะเลขสามเลขสามเพราะรู้ว่าผีดุนะกดเนี้ยแล้วเจอไหมไม่เจอค่ะเห็นไม่ไม่มีจริงหรอกค่ะมันแต่ข่าวลือผีมันก็เบื่อหน้าพวกเรานะมันรู้สึกหน้าตาอย่างคนดูน่าเกลียดต้องตาโบโบกำลังดีเห็นไหมเราถ้าใจแข็งๆนะไม่มีอะไรหรอก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 มันมันไม่มีภาคแบบ ไ, ไม่มีภาคไม่ภาคก <symmetry. S 2> <devant, S 1> ็ด <min> ีเลยสิเ well, ห็นใจที่ไหลแป๊บแว๊บวะแป๊บไหมบ้างครับตอนคือถ้าดูจิตใจได้ก็ดูไปนะถ้าดูไม่ได้เห็นร่างกายเห็นกายเนี่ยกายที่พยายามหน้าอยู่ไม่ใช่เราใจเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆนะครับหัดแยกกายแยกใจไปเรื่อยเดี๋ยวปัญญามันค่อยเกิด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 กยาเรียนถามหลวงพ่อว่ายยมยังขาดอะไรคะที่ดีแล้วล่ะนะทาไปทําต่อไปช่วงนี้จิต ด, ดีกว่าช่วงก่อนแล้วล่วะมีกําลังขึ้นมาแนละ้วเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะเ7จโอกาสค่ะหนโูเอาผลการปฏิบัติมาถวายค่ะอืมชอบสาธุเอามาถวายมา